เราช็คลำบากเลยนะก็ะอมองมองอะไรไม่เห็นกอเมื่อกี้ถามปัญหาว่าคื อ, อ ค, คื อ, ท, คอท่านพูดถึงในเรื่องของกามเนี่ยในกรณีอย่างนี้ว่าในสังสารวัที่ผ่านมานั้นเราเคยทุกศีลมาหมดเลยใช่ไหม ทุศีนเคยทำผิดพาดมาทางดาของกายทุจริตวจีทุจริตและมโนทุจริตมาเยอะใช่เราเคยล่วงอกุศลกรรมบทมาแล้วทีนี้อกุศลกรรมบทบางอย่างก็ให้ผลไปแล้วแต่บางอย่างที่ยังไม่ให้ผลนี้ต่อมาเนี่ยเมื่อเรามาเกี่ยวข้องกันในเรื่องของวัตถุกรรมทั้งหลายเรื่องหน้าของกิเลสกรรมที่เราไปติดข้องไปติดข้องรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็ทำมารวมไปติดข้องสีเสียงกลิ่นรสอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะหรือว่าไปยังมี รูปขันเวทนาขันสัญญาสังขารเวียนนาขันอยู่แปลว่าเรายังยืดเวลารออกุศโกรรมนั่นเองพอช่วงจังหวะหนึ่งเมื่ออกุศโกรรมตามมาทันในประวัติการก็เดินจับเข้าให้อย่างที่ว่าที่เมี้ที่โดนลงกรร ม, มกรลงโคมทันเนะ่ยเท่าไรนันกี่อย่างนะอันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งก็เรียกหม้อเคี่ยวน้ำส้มแล้วก็ขัดสัขอดสังอันที่สามก็คือปากราหู ที่สก็คือมารายไฟก็คือใช้ผ้าชุบน้ํามันแล้วก็พันจนทั่วตัวแล้วก็จุดไฟส่วนประการต่อมาก็คือเกี่ยวกัเรื่องของคบมือก็คือใช้ผ้าชุบน้ํามันพันมือทั้งสองข้างจนทั่วแล้วก็จุดไฟอ่ะริ้วสายที่ท่านมหาอา่านไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือว่า <c oughs> การเชือดหนังลอกออกเป็นริ้วๆตั้งแต่ใต้คอไปจนถึงข้อเท้าแล้วก็เชือกผูกฉุดคล้าเขาไว้นักโทษก็เดินเหยียบริ้วหนังของ ตัวเอง ก, ก็ล้มลุกคุกคานไปจนกว่าจะตายเดินไปก็เหยียบหนังตนเองไปเนี่ยข้อที่เจที่นุ่งเปลือกไม้ก็คือเชือดหนังเป็นริ้วๆแล้วก็ย่างบดก่อนนะแล้วก็แต่ทำเป็นสองตอนนะตั้งแต่ใต้คอจนถึงเอวตอนหนึ่งตั้งแต่เอวจนถึงเท้านั้นตอนหนึ่งริ้วหนังตอนบนห้อยคุมลงมาปิดกายท่อนล่าง ดูดังนุ่งเปลือกไม้อะทำให้เหมือนกันนุ่งเปลือกไม้นะั่นเองนี่เเรียกนุ่งเปลือกไม้นี่การถูกลงโทษยืนกวางก็คือการใช้ห่วงเหล็กรัดศอกทั้งสองแล้วก็เข่าทั้งสองตรึงติดไว้กับหลักเหล็กสีหลักบนพื้นดินดูดังกวางถูกตรึงไว้แล้วก็เอาไฟล้อมลนไปจนกว่าจะตายนั่นแหละเอาไฟลนลนจนกว่าจะร้องจนตายเนี่ยเกี่ยวเหยื่อเบ็ดก็คือว่าทำไงใช้เบ็ด ที่มีเงี้ยงอยู่สองข้างเนี่ยแล้วก็เกี่ยวตัวดึงเอาหนังเอาเนื้อออกก็คือใช้กระตุกนะเบ็ดที่มันมีตะขออยู่นั่นก็กไปก็กระตุกหนังออกกระตุกหนังออกไปเรื่อยๆจนกว่าจะตายเนี่ยเหรียญกระสาบก็คือใช้มีดที่คมเน่ยเชือดเนื้อเป็นแว่นๆขนาดเท่าเงินขนาดเท่าเหรียญน่ยจนกว่าจะตายก็าเลยว่าเชือดไปเชือดไปเรื่อยๆนะดิ้นไปเงี้ยเขาเชือดไปจนกว่าจะตายนั่นแหละส่วนแปงแสบก็คือ ฟันนะฟันก็กรสับให้ให้ยับทั่วกายเลยแล้วก็ใช้แปลงชุบน้ำมีน้ำเกลือเป็นต้นเหล่านี้นะถูแล้วก็คู่สีไปมานะจนเอ็นขาดด้วยเนื้อหลุดออกมาหมดเนะี่ยเหลือแต่กระดูกทำจนว่าคือสับก่อนสับเนื้อให้มันละเอียดเบีเศษนะแล้วก็ใช้เหล็กขูดออกมาเนะนะี่ยขูดออกมาจนเหลือจนเหลือแต่กระดูกนะีนะ่ส่วนว่า กลางเกวียนคำว่ า, ากลางเกวียนในที่นั้นก็คือให้นอนตะแคงแล้วก็ใช้เหลาเหล็กตอกเข้าหูทั้งสองข้างในทะลุเนี่นะลงไปตรึงแน่นอยู่กับดินแล้วก็จับเท้าทั้งสองยกขึ้นแล้วก็เดินเวียนคือเสียบอย่างเงี้ยเสียบหูเนี้ก็ตั้งแล้วก็จับเท้าก็หมุนหมุนไปเรื่อยๆหมุนไปเรื่อยๆส่วนตังฟางก็คือใช้ลูกหินบด ท, ทับตัวเอาหินเนะี่ยบดเหมือนกับรถบดถนนเนะี่ยบดให้กระดูกแตกะละเอียดแต่ไม่ให้ ไมห่หนังขาดด้วยนะวิธีการแบบเนี้ทาวิธีแบบว่าให้ละเอียดแต่ข้างในแต่ให้หนังยังอยู่อย่างนี้เขาเรียกว่าต่างฟางเนี่ยนะนะแล้วก็ใช้ผมนั่นแหละฟันนะตะล่อมเข้ามาเหมือนกับดังที่เขาเอาฟางเนะี่ยสำหรับเช็ดเท้าให้สุนัขทึงอันนี้ก็คือให้สูงสุนัขนะที่หิวโหยทั้งหลายนะลมกินเนี่ยพนะักเดียวก็เหลือแต่กระดูกในะอัตกรถาของพระไตรปิฎกท่านกล่าวไว้ลักษณะนี้ ทีนี้ถ้ามองในลักษณะนี้ที่ท่านมาอำนาจท่านอ่านท่านพูดถึงกามเป็นเครื่องผูกกามเป็นบ่วงก็บอกกาลมาคุณห้าเนะืรูปสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสเนี่ยรูปที่เห็นด้วยตาเสียงที่ฟังได้หู <c oughs> กลิ่นที่ดมด้ยจมูกรสที่ <c oughs> ลิ้มด้ลิ้นเนี่ยนะผลิภัพฑ์ที่สัมผัสด้วยกายอันเป็นที่น่าปรารถนาน่ารักน่าพอใจ <c oughs> ที่เวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เนี่ยนะที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ย อันนี้ก็เป็นเครื่องเป็นบ่วงเราท่านทั้งหลายก็ไปติดบ่วงกันเหล่านี้เต็มไปหมดเลยข้าพเจ้าบอกว่าจริงๆและตัวบ่วงจริงๆเอ๋ไอ้ตัวสีเสียงกิริยสัมผัสนี่เป็นเหยื่อบ่วงจริงๆนั้นเป็นกิเลสแต่เราไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกิริยสัมผัสเนี่ยคือไปเสพสิ่งเหล่านี้ก็ไปติดใช่ไหมเหตุที่ติดก็คือมีราคะโทสะโมหะเป็นบ่วงก็คล้องเราก็ไว้แล้วก็เลยกลายเป็นสัตว์ที่ติดบ่วงที่เป็นเนื้อที่ติดบ่วงนั้นแล้วก็ถูกกระชากไปฆ่าใช่ เนี่ยไปกระไปประทุสลายทั้งหลายเนี่ยเราท่านนิ้นโทษของกาลทั้งนั้นแหละเพราะเราไปเกี่ยวข้องเราไปเกี่ยวข้องกับกามเหล่านี้เป็นบ่วงด้วยเป็นเครื่องผูกด้วยท่านก็บอกว่าเครื่องผูกที่เกิดจากเหล็กเกิดแต่ไม้เกิดแต่หญ้าผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่กล่าวว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นเครื่องผูกเลยก็หมายความว่าตอนนั้นที่มีนักโทษทั้งหลายถูกโซ่ร่ำ ม, มัดพระก็พากันบอกน้ากรุณา ม, มาก ถ้าเหล่านี้ไปทําความผิดใดๆต่างๆถึงถูกจับถูกทรมานอย่างนี้ที่กล่าวท่านมหากล่าวมาในมหาทุคขันธสูตรเนี่ยอุนน่ากรุณามากใช่ไหมบุคคลเหานั้นถูกติดโคกถูกลงโทษทั้งหลายเหล่านี้แม้เป็นบ่วงเป็นเครื่องผูกที่น่ากลัวมากพระบรมศา ส, าศาสดาก็บอกว่าเรากล่าวว่านั้นไม่ใช่เครื่องผูกเพราะเครื่องผูกนั้นเป็นเครื่องผูกที่หลวมๆ ม, มีโอกาสออกมาได้แม้ชั้นใดแต่เครื่องผูกนั้นเนี่ยนะความยินดีเนี่ย ความยินดีในบุตรความยินดีในภรรยาความยินดีในทรัพย์ผู้มีปัญญาทั้งหลายกล่าวว่าความยินดีความเพลิดเพลินความติดข้องในสิ่งเหล่านี้ต่างเนี่ยสัตว์เนี่ยลงสู่ที่ต่ําได้โดยแท้ซึ่งซึ่งผูกไว้หย่อนหย่อนแต่แก้ได้ยากบอกว่าไอ้สิ่งเหล่านี้ที่ดูเหมือนไม่ผูกเหมือนหย่อนหย่อนแต่แก้ยากมากสัตว์ทั้งหลายออกจากทรัพย์ออกจากบุตรออกจากภรรยาออกจากบริวารออกจากสิ่งเหล่านี้ยากจริงๆ แล้วท่านก็ บ, บอกกามเนี่เป็นมายาด้วยกามทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงเป็นของเปล่านะเป็นของเท็จเป็นสิ่งที่มีการหลอกลวงให้หลงเป็นธรรมดาภิกสุทั้งหลายกามนั่นแหละเป็นเหมือนสิ่งที่ทำแล้วด้วยมายาเป็นสิ่งที่พร่มบ่นหาของคนพานทั้งหลายคนพานก็บ่นเพ้อหาอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมเช่นว่าโอ้โหปีนี้ <c oughs> ลาบากเหลือเกินเราจะต้องทาให้ได้มากอะไรก็แล้วแต่คนพานก็บ่นหาลูก ลูกเราไปไหนพ่อเราไปไหนแม่เราไปไหนเมื่อไรเราจะใช่ไหมเมื่อไรชีวิตเราจะดีขึ้นเราจะทำยังไงเนะืกระแสชีวิตของเราจะดีขึ้นเขากล่าวถึงคนพานคนพานก็บ่นเพ้อบ่นเพ้อบ่นบ่นเกี่ยวกับเรื่องของการมกรามก็คือ <c oughs> สัญญาคือความจำในกรามที่เป็นไปในพบปัจจุบันและที่เป็นไปในพบหน้าการมากา ม, มาสัญญาทั้งสองอย่างนั้นเป็นอาณาจักรของมารเนื้ แปลว่าเมื่อเราจําในสิ่งต่างๆเหล่านี้ใช่ไหมในปัจจุบันนพบแล้วเราก็ปรารถนาว่าในพบถัดไปเนี่ยยกตัวอย่างเช่นปรารถนาเครหบุหาา ร, รีมหาศาลกษัตริย์มหาผลพระมนามหาศาลปราถนาจารตมหาราชกาตาวติงสายามาดุสิตานิมานดรดีปรนิมิต ส, สวัสดีเนี่ยการปรารถนาดังปราถนาปัจจุบันใช่ไหม น, นี้เป็นการมสัญญาคือความจําได้และไม่ใช่แค่นั้นยังปรารถนาในพบต่อไปแล้วก็ต้องการจะบริโภคกามในลักษณะอย่างนี้อีก พระบรมศาสดาก็บอกว่านั่นเป็นอาณาจักรของมาร น, นะเป็นวิสัยของมารเป็นเหยื่อของมารและเป็นที่เที่ยวหาอาหารของมารก็หมายความว่าในส่วนจริงเราก็จะตกอยู่ในอำนาจของกิเลสมารใช่ไมด้วยอำนาจของกิเลสมารก็แปลว่าในส่วนจริงเราก็เจอเครื่องดัก mm. เจอเครื่องล่อแล้วและอย่างหนึ่งท่านบอกว่าไม่มีความเย็นเลยในกามนั้นนะ่นะกามนั้นเนะ่ะ ท่านจะสําคัญความข้อ น, นั้นอย่างไรท่านเคยเห็นหรือเคยได้ฟังหรือไม่ว่าพระราชาก็ดีอาจาผู้ใหญ่ก็ดีเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้ที่เออบิ่มเพียรพร้อมด้วยกามาคุณทั้ง5คือสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือให้มีคนบําเบลบำลงอยู่ยังละกา ม, มาตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนเพราะกามาตัญหาไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่ณภายในในอดีตก็ตามกําลังเป็นอยู่ก็ตามหรือจะเป็นอยู่ในอนาคตก็ตาม มาคันธิยะก็บอกถูกแล้วแม้เราเองก็ไม่เคยได้เห็นในมาคันธิยะสูตรถ้าไปเชื่อมตรงนี้ก็จะเห็นเพระบรมศ า, ส, าสดาบอกเคยเห็นไหมคนที่ไปเกี่ยวข้องในการมจะพอจะเอิบอิ่มหรือจะถมให้เต็มได้เพราะการไปทําให้การมมันเต็มได้หรือความยินดีพอใจเพลิดเพลินในการมเต็มได้บอกว่า ม, มาคันธิยะบอกว่าไม่เคยเห็นพระบรมศา ส, าสดาก็ถูกแล้วแม้เราเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็น ไม่เคยได้ฟังเช่นนั้นเลยพระราชาก็ดีมหาผู้ใหญ่ของพระราชาก็ดีผู้เอื้อิ่มเพียรพร้อมด้วยกามาคุณทั้งห้าที่ให้บุคคลบำเบลยังละ ก, กามมาตัญหาไม่ได้ยังบรรเทาความเร่าร้อนเพราะกามมาตัญหาไม่ได้แล้วจะเป็นผู้ปราศจากความกระหายมีจิตสงบอยู่นภายในในอดีตก็ตามกําลังเป็นอยู่ก็ตามหรือจะเป็นไปในอนาคตก็ตามถ้ามองในลักษณะนี้จะเห็นบอกว่ากามนั้นนะนะ ผู้ที่ย้อมติดอยู่ในการบริโภคกามพัวพันเมาแล้วก็หมกมุ่นอยู่ในกามทั้งหลายย่อมไม่รู้สึกความหลวมตัวของตัวเองท่านก็อบอกว่าการพลัดการเข้าไปสู่ที่กับดักทั้งหลายเนี่ยเราก็ไม่รู้ตัวเราติดกับดักนั้นแล้วแล้วก็เดินออกไม่ได้เข้าไปหาความตายก็เพราะกามสัตว์ทั้งหลายผู้มืดมนเพราะอำนาจแห่งกามกามมีสองอย่างนะวัตถุกามกับกิเลสกามสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส เนี่ยเป็นกามเป็นวัตถุกามวัตถุกามเหล่านี้พระอรหันต์ก็ยังจะต้องมาเกี่ยวข้องอยู่แต่ท่านมาเกี่ยวข้องเพราะท่านนั้นกําจัดกิเลสกามกําจัดไอ้มานที่อยู่ในกระแสจิตของท่านได้หมดสิ้นแล้วมานหลงทางแล้วมานไม่สามารถจะดักท่านได้แล้วกับดักนั้นไม่สามารถจะดักท่านติดได้แล้วฉะนั้นเมื่อท่านไปเกี่ยวข้องกับสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสไปเกี่ยวข้องกับรูปเวรานาสัญญาสัง ข, ขานวิญ ญ, ญาณอยู่ในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านก็ไม่ติดไม่ติดบ่วงของมาร น, นั้นแต่สัตว์ทั้งหลายผู้มืดมนเนี่ยด้วยอํานาจของกามนี่นีถูกตั้นหาเป็นดุดข่ายเครื่องดักสัตว์ปกครอไว้ถูกเครื่องมุงก็คือตั้หาปกปิดไว้ถูกมู่มานซึ่งเป็ น, ซ, ปนซึ่งเป็นเหมือนพวกพ้องของผู้ประมาทจองจําเขาไว้มารทั้งหลายเนี่ยย่อมไปสู่ชร า, าและมรณะก็ไปสื่อแก่บ่อยๆตายบ่อยๆนั่นเองเหมือนปลาเข้าไปสู่ปากเห็นเครื่องดักก็คือเข้าไปในไซเป็นต้นน่ย หรือเหมือนกับลูกโคที่ดื่มน้ํานมแล้วเข้าไปหาแม่ฉะนั้นมันหิวใช่ไหมนมเนี่ยเมเมื่อเราได้ดื่มเบีเสร็จแล้วเนี่ยก็หิวก็วิ่งหาแม่ตลอดเวลาแม้ช่นใดสัตว์ทั้งหลายก็เหมือนลูกโคตัวนั้ น, เ, นเมื่อได้บริโภคสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็วิ่งอยู่ตลอดเวลาด้วยอํานาจความหิวความกระหายไอราคาดํากิสนาเนี่ยมันทําให้สัตว์ทั้งหลายเนี่ยไม่รู้จักอิ่มแล้วก็หมกมุ่นในกามาคุณแล้วก็เจ็บปวดว่ากามาคุณ แล้วก็อีกมุมหนึ่งนี่นะเดี๋ยวท่านจะบอกไว้บอกว่าความเพลินเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์รูปที่เห็นได้ตาเสียงที่ฟังได้หูกลิ่นที่รู้ด้วยจมูกรสที่รู้ด้วยลิ้นเนะสผลิ ภ, ภสัมผัสด้วยกายธรรมอารมณ์ที่รู้แจ้งด้วยใจเนะี่ยอันที่น่าปรารถนาน่ารักน่าพอใจนะเข้าไปตั้งอยู่แห่งความไข้ทําใจให้กําหนัดทั้งหลายภิกษุย่อมเพลิดเพลินย่อมสาละเสริญย่อมหมกมุ่นอยู่ ซ, <kee> ซึ่งอารมณ์มีรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นน่ยภิกษุนั้นเพลิดเพลินพร่ำสํำลเสริญหมกมุ่นอยู่ซึ่งอารมณ์มีรูปเป็นต้นเหล่านั้นนี่ยนันทิคือความเพลิดเพลินก็บังเกิดขึ้นเรากล่าวว่าเพราะความเพลิดเพลินเป็นสมุทัยเป็นเหตเุเนี่ยนะจึงเป็นสมุทัยนั่นก็เป็นเหตุเกิดของทุกข์ความเกิดขึ้นแห่งทุกข์ก็เพราะความยินดีเพลิดเพลินเนี่ยเพลิดเพลินในตาหูจมูกเล่นกายใจเพลิดเพลินในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัส แล้วก็ทำมารมทั้งหลายเหล่านี้ยก็เชเื่อเพื่อเพลินในทุกในมาคันธยะสูตรท่านบอกว่าบุรุษโลกเรื้อนมีตัวเป็นแผลสุกปรังถูกเชื้อโรคนะแทะกัดอยู่ใช้เล็บเกาปากแผลอยู่รมตัวอยู่ที่รุมทานเพิงมาคันธยะเขาทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดปากแผลของเขาก็ยิ่งไม่สะอาดยิ่งมีกลิ่นเหม็นเปื่อยเน่ามากยิ่งขึ้นอยู่เพียงนั้นใช่ไม จะมีความรู้สึกว่าความพอและความสบายเนื่องอยู่บ้างก็ตรงที่แผลได้รับการเกาหรือได้รับความอบอุ่นบ้างเพราะไฟนั้นเป็นเหตุข้อนี้อุปมาชั้นใดมาคันธยะอุปมาอก็ฉันนั้นสัตว์ทั้งหลายยังเป็นผู้ไม่ปราศจากความกำหนัดความยินดีความลุ่มหลงสยบในกามในสีเสียงกลิ่นรสถูกกามมตัญหาแท้กัดอยู่ถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ ก็ยังขืนเสพกามทั้งหลายอยู่นั่นเองมาคันธยะเขายังถูกกรารเผารวนอยู่กับเสพกามอยู่นั่นแหละเขายังทำเช่นนั้นอยู่เพียงใดการมตัญหาของสัตว์ทั้งหลายเหล่านั้นย่อมเจริญขึ้นแปลว่าเขาไปเจริญตัญหานะถ้าเขาไปกระทำในลักษณะอย่างนั้นเพราะสภาพของตัญหาซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์ก็เจริญขึ้นในกระแสขันของเขาอยู่อย่างต่อเนื่อง เขาถูกความเร่าร้อนเพราะกามแผดเผาอยู่ด้วยและสัตว์เหล่านั้นจะมีความรู้สึกสักแต่ว่าความพอใจและความสบายสบายเนื้ออยู่บ้างก็ตรงที่อาศัยกามาคุณทั้ง5้าเป็นอยู่เพียงนั้นเท่านั้นก็คือแม้ยังมีความสุขอยู่เมื่อยังได้สีงามๆได้เสียงเพาะๆกลิ่นหอมๆรสอร่อยสัมผัสที่นิ่มๆอยู่มันมีความสุขเพราะความอร่อยที่ไม่คุ้มกับความทุกเนี่ความอร ե ศอร่อยที่เกิดขึ้นมาเนี่ย ในชั้นคาสอนท่านกล่าวถึงในคาสอนบอกว่าอริษกาพิกุเนี่ยนะที่บอกว่าเป็นบุตรของคนข่าแรงอ่ะกล่าวตู่ใช่ัหยบอกว่ากล่าวตู่กล่าวตู่พรธเจ้าด้วยกล่าวตู่เราด้วยแล้วก็ขุดรากก็ถอนตนออกจากาศาสนาของพระชินเจ้าด้วยจักประสบบาปไม่ใช่บุญเป็นนั้นมากด้วยเพราะตัวเองนั่นน่ะจับฉวยเอาผิด ในธรรมะที่เราแสดงไว้แล้วอย่างไรแม้พวกเธอทั้งหลายก็เข้าใจธรรมที่เราแสดงไว้แล้วเหมือนอริทธกาภิกษุหรือไม่ก็ถามภิกษุในช่วงหนึ่งพระธเจ้าบอกว่าไม่ได้เข้าใจอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะอริทกาภิกษุเนี่ยกล่าวว่ากรมไม่มีโทษท่านกล่าวว่ากรมไม่มีโทษพราะป ร, รมศาสสดาว่ากามนี่มีโทษแต่อริทธกาบอกไม่เห็นเป็นไรเลยถ้าบวชเข้ามาแล้วถ้าเราจะสัมผัสกายหญิงก็ไม่เห็นจะเป็นไรเลยอย่างนี้เป็นต้นแล้วเนี่ยนะเพราะถือว่า ถือว่าท่านเหมือนกับชำนาญวิธรรมเนี่ยแต่ไม่ฉลาดในพระวินัยอย่างเงี้ยนะท่านไปคิดว่ามันจะมีอะไรกายะวิญญาณโผฏฐพารลมใช่ารมแล้วกายวิญญาณกระทบกันเบ็ยดเสด็จเราก็สามารถกันไม่ให้ใจยินดีก็ได้ฉะนั้นภิกษุจะมีการถูกต้องกายหญิงไม่เห็นเป็นไร ไม่เห็นพระบรมศาสดาจะต้องใช้ความเพียนอุตสาหะในการบัญญัติสิกขาบท ว, ว่าภิกษุห้ามถูกกล้องกายหญิงเลยท่านคิดท่านอย่างนี้ถ้าท่านไปเข้าใจว่าการมันไม่มีโทษนะการมันมีไม่มีโทษพระศาสดาก็บอกว่าภิกษุทั้งหลายทำเหล่าใดที่เรากล่าวแล้วโดยโดยทั้งหลายเหล่าใดเหล่านี้เป็นธรรม ท, ที่เป็นอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติธรรมเหล่านั้นสามารถที่จะทําอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติได้จริงนะการทั้งหลายเรากล่าวว่ามีรสอร่อยน้อยมีทุกข์มาก มีความคับแค้นมากโทษของกรรมมีมากอย่างยิ่งแล้วก็เปรียบเทียบเหมือนกับท่อนกระดูกเปรียบเหมือนกับชิ้นเนื้อเปรียบเหมือนกับคบคาเหมือนกับคบเพลิงหญ้าเปรียบเสมือนกระล้มฐานเพลิงเปรียบเสมือนกับความฝันเปรียบเสมือนกับของยืมมาเปรียบเสมือนกับผลไม้เปรียบเสมือนกับเขียงหั่นเนื้อหรือสับเนื้อหรือควรเปรียบว่าเหมือนหอกเหมือนหลาและควรเปรียบว่าเหมือนหัวงูเห่าเช่นนั้นตรงนั้น พระบรมศา ส, สดาก็เปรียบเทียวบว่ากรามกรามเนี่ยเหมือนกระท่อนกระดูกบอกว่าสุนัขเนี่ยที่หมดกําลังเพราะหิวจัดจะพึงเข้าไปยืนชะเง้ออยู่ในที่ข่าโคคนข่าโครหรือลูกมือคนคันข่าโคผู้เชี่ยวชาญก็จะพึงเอาท่อนกระดูกที่ช้าแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังเป็นเยื่อหรือเป็นเนื้ออยู่เลยเนี่ยแม้แต่นิดเดียวเพียงแต่เปื้อนเลือดอยู่บ้างโยนไปให้สุนัขตัวนั้นแทะ คือมหาบดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นไนสุนัขตัวนั้นน่ะบอกว่าแทะท่อนกระดูกที่ชํำแหละเนื้อออกหมดแล้วไม่มีส่วนที่ยังจะเป็นเนื้อเหลืออยู่แม้แต่น้อยเนะ่ยเพียงแต่มีเลือดเปื้อนอยู่บ้างเนะี่ยจะพึงบรรเทาความหมดกําลังเพราะหิวได้หรือไม่บอกว่าจะให้สุนัขตัวนั้นน่ะมีกําลังขึ้นมาเพราแทะกระดูกอย่างเดียวได้ไหมออกไม่ได้หรอกชั้นใดสัตว์ทั้งหลายที่ไปบริโภค วัตถุกรรมเนี่ยด้วยอํานาจของกิเลสกาวเนี่ยมันไม่อิ่มในสังสารวัฏที่ผ่านมาเราเป็นมาหมดใช่ไหมเคยได้จักระพัฒสมบัติก็เคยได้ไม่น่าแปลกแปลกใจไหมเรานั่งอยู่เนี่ยเคยบริโภคจักระพัฒสมบัติมาแล้วสักกะสมบัติได้มาแลสมบัติก็เคยได้พรมสมบัติก็เคยได้ใช่ไหมแต่ก็ไม่เคยอิ่มนหําสําราญเลยมาวันนี้ก็ยังปรารถนายังอยากจะได้มนุษย์สมบัติอีกจักระพัฒสมบัติอีกสักกะสมบัติอีกมาแลสมบัติอีกพรมสมบัติอีก อยากจะได้สมบัติเหล่านั้นอีกที่สุดจริงๆก็ต้องกลับมาเหนื่อยๆอีกกลับมาเจ็บปวดอีกท่านก็เลยอุปมาเหมือนกับสุนนักตัวนั้นแหละเนียสุนัขที่ไปเขาหั่นเนื้อออกบนแล้วหล้วจะกระดูกมีเลือดอยู่นิดหน่อยก็โยนให้แล้วก็แทะใหญ่อร่อยเลือดที่ติดนิดหน่อยอะไร อ, อร่อยน้ําลายเนะีมันก็ไม่อิ่มสทัทีก็หิวอยู่นั่นแหละก็ทําไมเนาะมันถึงถมไม่เต็มใช่ไหมถมไม่เต็มสักทีกลับไปมันจะมันก็ถมไม่เต็ม ตรงนี้เนี่แหละเขาทำบุดีด้วยเหตุนั้นแหละสาวกของพระรยเจ้าย่อมพิจารณาเห็นอะไรด้วยประจักษ์ชัดตามความเป็นจริงว่ากามทั้งหลายอันพระบรมศาสดาตรัสแล้วว่ามีอุปมาเหมือนท่อนกระดูกเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์อย่างมากทําให้เกิดความคับแค้นใจอย่างมากและก็มีโทษอย่างยิ่งคั้นเห็นกามแล้วด้วยปัญญาชอบตามที่เป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดซึ่งควรเพ่งควรพิจารณาอารมณ์ต่างๆนะ บอพิจารณาการมคุณทั้ง5้านะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วก็เจริญซึ่งความเขาเรียกว่าต้องใช้อะไรอารัมณูปนิชานและลักขณูปนิชานเนะ่ลำดับแรกก็คือต้องถอนตนออกด้วยอารัมณูปนิชานด้วยการทำอุปจารสมาธิและอัปนาสมาธิให้เกิดขึ้นเพื่อจะได้ถอนตนออกจากกามคุณให้ได้จะได้ไปเห็นโทษของกรมทั้งหลายใช่ว่าการจะเห็นโทษของกรมได้อโลพะต้องเด่นอโลภะต้องชัดเจน ถ้าโลภะเด่นโลภะชัดเจนไอตัวโลภะก็ไปติดข้องในสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสแล้วมันก็ถมไม่เต็มสักทีเพราะเราเพราะโลภะมันเด่นขึ้นใช่ไหมในกระแสใ จ, จโลภะก็ทํางานทิฏฐิก็ทํางานมานะก็ทํางานด้วยสภาพของพัรษาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินทรีย์มนสิการวิตกวิจาร์ก็นั่นแหละวิตกวิจารอยู่กับวัตถุกรรม้วยอํานาจของกิเลสกรรมทั้งหลายเลยนะีย อธิโมกขวิริยาปีติฉันทะก็ยินดีเพลิดเพลินอยู่ในกามเหล่านั้นก็ไม่ยอมเต็มสียทีใช่ไหมฉะนั้นถ้าจะถอนตนออกจากวัตถุ ก, กามก็เห็นในกามมีโทษเพียงไรเนกขมะอธิสง์การออกจากกามก็มีคุณมากเพียงนั้นท่านก็เลยสอนบอกว่าให้ดับสนิทโดยไม่มีส่วนเหลือโดยการถอนตนออกอีกอย่างหนึ่งท่านบอกว่ากามเปรียบเส ม, มือนชิ้นเนื้อที่ติดอยู่คาปากเขาเรกคำาดีเปรียบเส ม, มือนแหลงก็เห็นนกแห้งไหมนกแห้นแงนกเหี่ยวเนี่ย หรือนกตะกุมทั้งหลายตัวหนึ่งนะคาบชิ้นเนื้อคาปากแล้วก็บินไปวันก่อนมาไปที่ไปที่อินเดียเขาก็เล่าให้ฟังพระนะีท่านเล่าให้ฟังท่านบอกว่าท่านไปที่แดนยมกเนี่ยยมกขปฏิหานี่นะสถานที่ว่าบรมศาสตราแสดงยมกขปทิหานี่ท่านมาไปเห็นนกตะกุมท่านก็ถามบอกท่านเคยเห็นไหมนกตะกุมเนี่ยเป็นยังไงบอกไม่เคยเลย นกตะกลมตัวใหญ่มากตัวเท่าแรงเออตัวเท่าไหรอะไรเนี้ยนกกระจอกนกกระจอกเทศเนี่ยตัวขนาดนั้นเลยว่าไงไอตัวตัวนกตะกุมนี่เจอสองตัวอยู่ในอินเดียตัวยังใหญ่เลยและเออแทนบินไม่ได้นท่านก็ยังถ่ายรูปมาเลยท่า่าไเลยไม่ได้ดูตอนนั้นบอดีไม่ได้ทำได้รูปมา้ดู ท่านบอกเดี๋ยวจะมีโอกาสจะให้ดูทีนี้ก็ทําให้นึกถึงชาดกเรื่องตอนที่เศรษฐีที่เครารพภิกษุรูปหนึ่งใช่ไหมภิกษุนั้นอยู่เป็นประจําตระกูลตระเองเลยนะที่ไปมีอยู่วันหนึ่งภิกษุรูปนี้ก็ไปเยี่ยมเศรษฐีประจำตระที่ว่าเป็นผูเน้เป็นอุบาสกที่เปโรมนาตระเองไว้นะี่ในวันนั้นน่ะเศรษฐีท่านนี้ที่เป็นช่างเจรานานเพชร ด, ด้วยใช่ไหม พระเจ้าประสิทธิโกศลใช่ไห ม, มก็เลยส่งเพชรไปให้เจรนายนั่นเองนั่นแหละพลอยหรือเพชรแหละนั่นแหละพลอยแดงใช่ไหมเออนั่นแหละท่านก็เลยวันนั้นท่านกําลังหั่นเนื้ออยู่นั่นแหละเลือดก็เต็มมืออยู่<ม>ก็เลยจับนะจับพลอยแดงนั่นน ก, ก์เรียนใช่ไหมอ๋อนกกรเรียนนั่นแหละท่านก็เลย ว, วางไว้พิษสูรก็ไปอยู่ที่วัดในที่บ้านนั้นแหละนกกระเรียนเนี่ยพอเจ้าของเผือ่อมันก็เข้าไปจิก ไอ้พลอยแดงนึ่งใช่ไหมมันเห็นเลือดก็กินเข้าไปไงพระเห็นไม่เห็นพอเจ้าของพอเจ้าของทํากับข้าวทําอะไรเบีดเสร็จหันมาเออหายไปไหนพลอยแดงเนี่ยกลึกกลัวเลยนึกในใจเอ๊ะไม่มีใครเราจะเอาได้ยังไงเนี่ยสงสัยพระนี่แราเมื่อหยิบ <c oughs> ก็หันไปถามไปท่านเออพลอยแดงที่ผมวางไว้ตรงนี้ท่านเอาไปไว้ตรงไหนหพระกูดอย่างเงี้ยนะ พระก็ไม่พูดเพราะถ้าพระพบกไม่ได้ออกไปใช่ไหมไม่ได้ออกไปก็เลยขยันกขยอกัอนไปนะเข้านะเข้าจากคนสนิทเนี่ยที่ท่านมาอำนาจคิดไว้นี่ยนี่ขนาดนับถือจริงๆเลยแล้วเนี่ยเป็นโยบอบูปฐากเนี่ยโทษของการมแท้ๆใช่หไหมโทษของกรรมแท้ๆถามไปถามมาเออตายแล้วเราจะต้องตายเพราะอิทเพราะอิเดาแสดงว่าพระรูเนี้ไม่น่าไว้ใจแล้วจับพระมัดเลย มัดไปเสก็ใช้ขันสนะเลยถามว่าท่านบอกมาเอาไว้ไหนพ้าก็ไม่พูดขันไปเรื่อยๆบอกมานะโกรธนี น, นะให้บอกมาบอกมากลัวตายนะขันขันกันเลือดไหลนั่นแหละนกไอ้นกนะั้นมากินแล้วท่านก็ถีบนกตายนั่นแหละที่เตะดีดนกไปตายเตะนกตายท่านก็เลยบอกให้หยุดใช่ไหมบอกว่าให้หยุดขันก่อนบอกให้คลายออกก่อนแล้วจะบอกเลย ท่านก็เลยบอกว่าไอ้พลอยแดงอยู่ในนกดวนั้นแล้วนกนันตายเลยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมแต่ก็จริงๆพระอยู่ต่อมาพระก็ตายด้วยเนี่ยเนในลักษณะอย่างเงี้ยฉะนั้นกามเปียกจะเหมือนกับท่อนกระดูกแล้วแบบแบบเนื้อชิ้นเนื้อคาปากบอกว่าฝูงแร้งฝูงเหี่ยวบ้างฝูงนกตะกุมบ้างตามโฉบตามโฉบเนี่ยนะนกตัวนั้นเพื่อให้ทิ้งชิ้นเนื้อนั้น ยังนกนั้นให้ปล่อยให้คายอ่ะข้าราชารอดีท่านจะสำคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรถ้าแรงหรือเหี่ยวหรือนกตะกุมนั้นไม่รีบสลัดชิ้นเนื้อทิ้งมันก็จะถึงความตายหรือได้รับทุกข์เกียนตายข้อนั้นเพราะเหตุไรใช่มั้ยก็ลองคิดดู่ตาบใดเราไม่รีบทิ้งตาชขาจะบวกลิ้นกายใจ <laughs> เดี๋ยวเราก็ตายเราโดนแย่งโดนเนี่ยมันโดนชิงเนี่ยตาย ใช่ไหมวางอ้ยมพ่อวาดอ้ยอมเอาอ้ยอมก็นกก็นกเขาก็ต้องฆ่านกอยู่แล้ว ก็ไม่ควรบอกไง ก, ก, ก็เป็นเหตุให้นกตายไงเป็นเหตุนีจะบอกอยังไงดีลุกขึ้นแล้วก็ขยับเดินไปอีกนิดนึงแล้วก็บอกอาตมายืนตรงนี้ไม่เห็นอย่างนี้ได้ไหอย่างนี้ได้ไห ม, ไไหมทำงี้ได้ไหม ใช่ไหมเรานั่งอยู่ตรงนั้นใช่ไหมก็ลุกขึ้นเลยเพราะท่านจะถามเดี๋ยวขยับตั้งแต่อาจมายืนเนี่ยไม่เห็น เ, เห็นก่อนแล้วไม่พูดดีไม่พูดให้หมดได้ไหมอันนี้ท่านต้องการพูดชี้เรื่องของเกิดขึ้นนั่นเรื่องเกิดขึ้นแล้วแล้วท่านก็ชี้ให้เห็นว่านี่โทษของการมนี่แหละโทษของการม ด้วยเหตุนั่นแหละสาวริยาสาวกย่อมพิจารณาโดยประจักษ์ว่ากามทั้งหลายอันพระบรมศ า, ศาสดาตรัสแล้วอุปมาเหมือนชิ้นเนื้อเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งดังนี้ขั้นเห็นกลามนั้นแล้วด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยขาดนโดยเด็ดขาดด้วยการอาศัยในการที่จะเจริญน่นะด้วยการพิจารณาก็คือว่า ท่านก็สอนในเรื่องของทำยังไงที่เราจะได้อุปจารสมาธิอปนาสมาธิเอาสมาธิเป็นฐานแก่การเดินสมาทำสมถารวิปั ส, สนาและ mm hmm. เพื่อจะได้ทิ้งกามเสียตราบใดเรายังคาบกามอยู่ยังคาบชิ้นเนื้อนั่นอยู่ mm hmm. ที่สุดจริงๆมันมีตัวอื่นอีกนะที่จะมาแย่งชิงที่สุดจริงๆน่ถ้าเราไม่ยอมปล่อยไม่ยอมทิ้งเราก็จะต้องตายแล้วก็จะต้องทุกเยียนตาย สัตว์ทั้งหลายที่ไม่ยอมปล่อยกามเนี่ยนะไม่ปล่อยวัตถุ ก, กามเพราะอำนาจของกิเลสกามไม่ยอมละใช่ไหมไม่ละฉันทราคะคือไม่ยอมได้นี่ผ่านสักทีนี่แหละในส่วนจริงแล้วก็ถูกทุบถูกตีถูกถกําจัดกันอยู่เรื่อยไปอีกอย่างหนึ่งท่านอุปมาเหมือนกับาคาคบเพลิงที่ทวิ่งทวนลมใช่หมข้าราชกดีเปรียบเสมือนบุรุษผู้หนึ่งถือเอาคบหญ้าแห้งที่ติดไฟนะลุกพงแล้วก็พากันเดินหรือวิ่งทวนลม ท่านจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไรถ้าบุรุษนั้นไม่รีบทิ้งคบหญ้าแห้งนั้นเสียโดยเร็วไซด์คบไฟนั้นไฟนั้นก็จะลุกลามไม่มือไม่แขนไม่อวัยวะน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งของบุรุษนั้นเขาก็จะถึงซึ่งความตายหรือได้รับทุกข์เจียนตายข้อนั้นเพราะเหตุอะไรข้อนั้นก็เพราะกามนี่แหละเนี่ยนะไอ้ตรงนี้มันมองไม่เห็นนะ เมื่อไหร่นะเราจะมองเห็นผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกไตหัวใจตับปอดพังผืดไส้ใหญ่ไส้น้อยหันใหม่หันเก่ามันสมองเป็นต้นตลอดถึงรูปขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณขันเห็นขันห้าเป็นครบเป็นหญ้าแห้งที่มีครบมีไฟติดอยู่ใช่ไหมถ้าเห็นอย่างนั้นจริงๆอยากทิ้งม น, นี่ตอนนี้ยังไม่เห็นใช่ไมมันยังหน้าเพลิเพลินอยู่ไหม ยังน่าเพลิดเพลินไหมการไปมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อการไปมีตาหูจมูกเล่นกายใจยังไม่น่ายินดีน่าเพลิดเพลินตราบใดยังมีตาหูจมูกเล่นกายใจตราบนั้นก็ยังมีความขัดข้องมีความวุ่นวายอยู่ไหมนี่เป็นความขัดข้องและความวุ่นวายอะไรคือความไม่ขัดข้องอะไรคือความไม่วุ่นวายนิพพานสี่คือความไม่ขัดข้องคือความไม่วุ่นวายเพระบรมศาสดาบอกว่าที่นี่ไม่ขัดข้องหนอที่นี่ไม่วุ่นวายหนอ ที่นี่ในที่นั้นก็คือพระนิพพานไม่ขัดข้องหนอพระนิพพานไม่วุ่นวายหนอใช่ไหมตราบใดเรายังถือครบญ้าแห้งที่มีไฟติดอยู่วิ่งมันก็ยังที่นี่วุ่นวายหนอที่นี่ขาดข้องเนาใช่ไหม น, นั้นการมีตาหูจมูกริ้นกายใจในเนีเน่เป็นความขัดข้องเป็นเป็นความขัดข้องและเป็นความวุ่นวายเราไปคิดว่าโทสะคือความวุ่นวายใช่ไหมแต่เราคิดว่าโลภะวุ่นไวายไหม ตาหูจมกลิ้นกายใจอะเป็นความขัดข้องเป็นความวุ่นวายไหมก็เป็นความขัดข้องเป็นความวุ่นวายตรงเนี้อริยาสาวกก็พิจารณาเห็นด้วยชัดประจักษ์ชัดตามความมีกามทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสแต่ว่ามีอุปมาเหมือนกับคบหญ้าแห้งเป็นสิ่งที่เกิดทุกข์มากมีความคัดแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งขันเห็นกามด้ปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็ให้เว้นเสียให้เด็ดขาดเว้นเสียให้เด็ดขาดไม่ใช่ค่อยๆเว้นเว้นให้เด็ดขาด นี่บอกท่านมห า, าเาโนเว้นให้เด็ดขาดเว้นวัตถุกรรมเว้นกิเลสกรรมให้เด็ดขาดหลุมฐานเพลิงหลุมฐานเพิงลึกชั่วบุรุษที่เต็มไปด้วยฐานเพิงที่ปราศจากเปลวและปราศจากควันครั้งนั้นบุรุษหนึ่งผู้ต้องการเป็นอยู่ไม่อยากตายนะรักสุขเกลียดทุกมาสู่ที่นั้นและมีบุรุษที่มีกําลังกล้าแข็งอีกสองคนจับบุรุษนั้นที่แขนแต่ละข้างแล้วก็ฉุดค่าพาไปยังหลุมฐานเพลิงนั้น ค่าวดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษนั้นจักไม่บิดตัวดิ้นไปทางโน้นทางนี้ทางนี้บ้างหรือแหลหาไม่ได้พระเจ้าข้าเพราะเหตุายเพราะเหตุว่าบุรุษนั้นรู้อยู่ว่าถ้าเราจะตกลงไปสู่หลุมฐานเพลิงนี้ไซส์เราก็จะถึงความตายหรือจะได้ทุกข์เจียนตายเพราะนั้นเป็นเหตุพระเจ้าข้าข่าววันดีเพราะเหตุนั้นแหละอริยาสาวกพริยเจ้าก็พิจารณาเห็นประจักษ์ตามชัดตามความการทั้งหลายพระพุทธเจ้าตรัสว่า มีอุปมาเหมือนหลุมฐานเพิงเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากทำให้เกิดความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งเมื่อเห็นกามประจัดชัดตามความเป็นจริงโดยชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียให้เด็ดขาดจากกามนะก็เจริญอารามนูปณิชานและรักหนูปณิชานเพื่อจะออกจากกรมเหล่านั้นเสียในตอนนี้เรากําลังจะถูกจับกันอีกแล้วนะ การปฏิสันที่เนี่ยคือการจะถูกจับโดดลงไปในนั้นเนะี่ยทําไมไม่ดิ้นหนีทําไมไม่ดิ้นหนีคนตาดีทั้งหลายเนี่ยรู้ว่าข้างหน้าเป็นหลุมฐานเพิงโดดลงไปทําไมปฏิสันที่เนะี่ยโดดลงไปทําไมแล้วโดดจริงๆโดดลงไปจริงๆไหมเนี่ยตอนเนี้ยเราจะโดดไปหาหลุมฐานเพิง เห็นไหมถ้าปัญญาเกิดขึ้นมาจะเห็นปฏิสันธิร้อนจริงๆปฏิสันทิวิญญาณเนี่ยโอ้ยเป็นการโดดรงลุมฐานเพิงเลยใช่ไหม <S <S <an> <S การไปโดดลงโอ้ยที่หล้มฐานเพิงชัดที่สุดก็คือโดดรลงไปเป็นสัตว์นรกชัดไหม <S <S <an> <S เป็นสัตว์ดิราฉานเป็นเป็ดเป็นสุรกายถ้าโดดเป็นมนุษย์ยิ้มเลยใช่ไหม <S <S <an> <S ไม่ยิ้มเราก็ร้องสุดตัวมกัน <S <S <an> <S จริงๆแล้วก็เป็นเป็นความหวาดเสียวหมดแหละ เป็นเป็นการนะเป็นการโดดลงไปในเนื้ยหลุมทันเพิงแล้วประการต่อมาท่านอุปมายอย่างไงเหมือนความฝันเปรียบเทมือนบุรุษคนหนึ่งฝันเห็นสวนอันน่ารื่นลมใจป่าไม้อันน่ารื่นรมใจเห็นภูมิภาคอันน่ารื่นรมใจเห็นสระบกครารเนอันน่ารื่นรมใจขั้นบุรุษตื่นขึ้นมาแล้วเห็นอะไรไหมพบของจริงไหมฝันเนี่ย ใหม่ๆสมัยเป็นเด็กๆก็องนึกดูทีฝันเลยนะฝันว่าอฝันมาตามลําดับไหมกี่ปีปีหนึ่งเนี่ยไหมทุกวันเลยในเดือปีหนึ่งสามรอยหกสิบห้าวันที่ผ่านมาก็ฝันเมื่อวานก็ฝันเมื่อเช้าก็ฝันเมื่อตอนกลางวันนี่ก็ฝันแล้วตอนนี้หายไปไหนหมดแล้วสิ่งเหล่านั้นหายไปไหนหมดแล้วฝันไหมฝันแล้ว ฝันว่าเราได้กินฝันว่าเราได้ดื่มได้ลิ้มได้สัมผัสฝันว่าเราได้ทำสิ่งนู้นสิ่งนี้ก็ฝันไปไนฝันว่าได้ไปสอนหนังสือฝันฝันนะขณาทีเหตุนั้นสาวกของพระพุทธเจ้านี่นะพิจารณาเห็นโดยประจักษ์กามทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่ามีอุปมาเหมือนกับความฝันเป็นสิ่งที่เกิดทุกข์มาก ให้ความคับแค้นมากและก็มีโทษอย่างยิ่งประการต่อมาก็เปลี่ยนเสมือนของยืมเข้ามานะบุษคนหนึ่งนะขอยืมทรัพย์จากผู้อื่นได้แล้วก็อเอาลงไปใส่เกวียนน้อยมีต้มหูตาห่างหูแก้วมนันีอันล้ำค่าเป็นต้นบุุษนั้นวางของยืมเหล่านั้นไว้ข้างตัวบ้างรอบรอบตัวบ้างขับผ่านไปตามหมู่ชาวร้านหมู่ ชนผู้บุรุษนั้นแล้วก็จะพึงบอกว่ามู่ชนเห็นบุรุษนั้นแล้วก็จะกล่าวกับเขาว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายเอย๋ยบุรุษคนนี้ร่ำรวยจริงหนอดูสิพวกเขารวยเขาใช้สอยโภคะกันอย่างนี้เองดังนี้ขันเจ้าของทรัพย์พบบุรุษซึ่งทําอยู่อย่างนั้นณนะที่ใดๆเขาก็จะทวงเอาทรัพย์ของเขานั้นคืนไปณนะที่นั้นนั่นเองขณะบ ด, ดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นอย่างไร คือเขาควรจะทําอย่างไรแก่บุรุษคนนั้นหาไม่ได้เพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าธรรมดาเจ้าของทรัพย์ก็ต้องทวงทรัพย์ของเขาคืนไปแม้ชั้นใดถามว่าตอนนี้เขามาทวงบ้างอยังเนี่ยมาทวงทรัพย์ของเขาคืนนีอยังใช่ไหมทวงเลยนะมาทวงแล้วเราก็พยายามจักไม่ให้คืน <c oughs> เราลักของเขามาใช่ไหมเราจะไม่ให้คืนเขาจะทวงเรื่อยไห ม, ยมโยมบวช กำลังจะทวงเงินเนทวงวิธีแก้ไขทำยังไงดีถ้าเขาจะทวงเดี๋ยวมาพวกนี้ก็ต้องรีบไปหาหม อ, อกลัวเขาทวงเรลียว <laughs> <laughs> อย่างเงี้ยจะไปกันอย่างเงี้ยกลัวกลัวเ้าทวงใช่ไหมกลัวยอมพิชยากลัวเ้าทวงกลับไหมตรงนี้ก็ต้องคอยหลบเจ้าของไหมตอนนี้ต้องคอยหลบนะนะขับรถก็ต้องระมัดระวงังกลัวเจ้าของเห็นใช่ไหม พระเจ้าของเห็นก็ทวงปุ๊บเขาก็เอาคืนไปหมดเลยเอาถ้าตายนะกระเบียร์เขากลับคืนไปหมดแล้วนะทิ้งด้วยนะ <c oughs> แล้วก็ไปลีกของเขาใหมา่อีกเขาก็ตามทวงอีกไปลเกของเขาใหมา่ก็ตามทวงอีกไปลเักตาหูจมกูกลิ้นกายใจเห ม, ม, เา ม, า ม, มือนของยืมเข้ามาอุปมาเหมือนของยืมเข้ามาทีนี้เมื่อรู้ชัดตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วเนี่ยการทั้งหลายพระเจ้าตรัสว่าอุปมาเหมือนของยืมเข้ามาเป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มาก ต้องคอยวิตกกังวลตลอดใช่ไหมดูในมหมาทุ ก, กขคันทศูนยะ์ทุกในการสแสวงหาข้อแรกที่อ่านข้อที่สองทุกเพราะการรักษ า, อาพอรักษาเบ็ดเสร็จก็เริ่มทุกในการแก่งแย่งกันแล้วเริ่มเริ่มแล้วตอนนี้เริ่มจะลุกรานเอาของคนอื่นแล้วก็เริ่มทะเลาะบ่อแว่งกันแล้วทุกวันนี้สึกชิงกามทั้งหลายตอนนี้เริ่มกันแล้วเริ่มมาอย่างนั้นอย่างนี้สารพัดนี่มันสึกชิงกามชัดเลยนะเอาอะไรก็รู้จะชิงตาหูจมูกลิ้นกายใจ ถามว่าถล่มหายใจขาดยังจะชิงกันอยู่ไหเนี่ยเอาไหมบางคนอู้ลมหายใจขาดไม่รู้จะชิงไปทาไมจังโอ้ยชิงแข่งแย่งกันอะไรกันสารพัดกันใส่ร้ายป้ายสีกันมีการเล่นบนน้าเล่นบนดินกันเลยก็ไม่รู้ใช่ไหมเล่นใต้ดินกันก็มีคำว่าใต้ดินในที่นี้ก็หมายถึงว่าหาวิธีการเนี่ยจะแย่งชิงกันเนี่ย กามทั้งหลายพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นอุปมาเหมือนของยืมเข้ามานีถ้าเห็นด้วยชัดเห็นให้ชัดตามด้วยด้วยปัญญาตามความเป็นจริงอย่างนี้ก็ให้เว้นขาดเสียจากกามเหล่านั้ น, นอุปมาเหมือนกับผลไม้ทําไงบอกว่าเปรียบสเสมือนป่าไม้ใหญ่เป็นที่ตั้งของคามนิคมต่างๆมีต้นไม้มีผลไม่น่า ก, กินดกด้วยผลไม้ที่หล่นอยู่ตามพื้นดินไม่มีเลยบุรุษเดินผ่านมาเป็นผู้ต้องการผลไม้ก็เที่ยวไปนี แสวงหาผลไม้อยู่เขาก็เข้าไปในป่านั้นแล้วพบต้นไม้นคิดว่าต้นไม้นี้มีผลน่ากินด้วยดอกด้วยเนี่ยนะผลไม้ที่ลดนู่ตามพื้นดินไม่มีก็เราก็รู้จักวิธีขึ้นต้นไม้อยู่ท่ากะไรนะถ้าฉไหนเราขึ้นสู่ต้นไม้นี้แล้วจะพึงกินผลไม้ได้ตามพอใจตามความปรารถนาด้วยจะพึงยังห่อให้เต็มด้วยดังนี้แล้วเขาก็ขึ้นสู่ต้นไม้ เก็บกินตามความพอใจตามความปารถนาห่อจนเต็มห่อด้วยในลําดับนั้นเองบุรุษคนที่2อมาแล้วเป็นผู้ต้องการผลไม้เที่ยวสแสวงหาผลไม้อย่างเดียวกันนี่แหละถือขวานคมกริบเลตันี้มาแล้วพอไปถึงที่ต้นไม้พบต้นไม้เบ็เสร็จเนี่ยซึ่งมีผลน่ากินดกด้วยเขาก็คิดว่าต้นไม้นี่มีผลน่ากินด้วยดกด้วยนะผลไม้ที่หลดมาไม่มีเนี่ยถ้าไห น, นเราจะโค่นไดเลยก็ตัดต้นไม้เลยตอนนี้เขากําลังตัดอยู่นะ เราก็ยังเพลินอยู่การเพลินกับการกินผลไม้อยู่ข้างบนนั่นแหละเอาใครเพลินบ้างจากการได้ตาหูจมูกเล่นกายใจเพลินไหมยังเพลินอยู่เนี่ยรู้ไหมข้างล่างกําลังโดนขวานสับอยู่เนี่ยใกล้จะขาดอยู่แล้วก็จะล้มอยู่แล้วฉะนั้นตรงนี้ถ้ารู้ชัดตามความเป็นจริงพระศาสดาบอกว่าขึ้นหามดีท่านจะสําคัญความข้อนั้นเป็นอย่างไรบุรุษขึ้นอยู่บนต้นไม้คนแรก ถ้าเขาไม่รีบลงมาโดยเร็วไซด์เนี่ยเมื่อต้นไม้ล้มลงมาเขาก็จะต้องทุกปางตายหรือตายไหมเอาไว้ว่าน้อยใหญ่ส่วนใดส่วนหนึ่งหกักหรือตายนี่ยหรือทุกปางตายเนี่ยเพราะข้อนั้นเป็นเหตุแม้ชั้นใดด้วยเหตุนั้นแหละเมื่อได้ฟังคำสอนของพระบรมศาสดาตามความเป็นจริงแล้วต้องพิจารณาให้ประจักษ์ชัดอย่างนี้ว่ากามทั้งหลาย พระบรมศาสดาตรัสว่ามีอุปมาเหมือนผลไม้เป็นสิ่งที่ให้เกิดทุกข์มากมีความคับแค้นมากมีโทษอย่างยิ่งขั้นเห็นกามชัดด้วยปัญญาชอบตามความเป็นจริงอย่างนี้แล้วก็เว้นเสียโดยเด็ดขาดก็เพ่งโดยอารามนูปนิชานและลักขณูปนิชานก็ทำศีลสมถวิปสนาเป็นต้นให้เกิดขึ้นอาศัยอารมณ์ต่างๆคือกามคูนห้าแล้วก็พิจารณาเห็นโทษตรงนั้นแล้วก็เพ่งพิจารณา เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยเพื่อจักยังอุปจารสมาธิอัปนาสมาธิเป็นต้นเป็นฐานแก่การเดินวิปัสนาเป็นต้นเนี่ยนะตรงนี้บอกว่าพระพุทธเจ้าบอกว่า <c oughs> เรื่องกรรมเนี่ยนะความกำหนัดความตรีตรองทั้งหลายเนี่ยนะไ ว, ไวยโพจนะคําว่าภัยเนี่ยเป็นคําแทนชื่อของกามกามนั้นบางอย่างพระบรมศ า, ศาสดาก็ตรัสเรียกว่าเป็นภยัยเป็นทุกข เป็นชาติที่ทุกชราทุกพยาทีทุกทุกทั้งหลายก็เปชื่อของกามทั้งหลายโรคเป็นคําแทนชื่อของกาลเนี่ยคว่าโรคเนี่ยหัวฝีก็เป็นคําแทนชื่อของกามทนะั้งหลายลูกศรก็เป็นคําแทนชื่อของ harma, ก, กาลทั้อองหลายเป็นเครื่องข้องก็เปชื่อของกาลทั้งหลายเปลือกต้มก็เป็นชื่อของกาลทั้งหลายคําว่าคันคันก็เป็นชื่อของกามทั้งหลายถามว่าอะไรจะทําให้เราออกจากภัยนี้ได้ศีล ส, สมถาวิปัสนาใช่ไหม จะเป็นเหตุทำให้เราพ้นจากภั you, <collisions. S 2> ยนี้ได hum ้อะไรหนอจะเป็นปัจจัยทำให้เราพ <iage Lynn> ้นจากทุกนี้ได้ศีลสมถาวิปัสนาถึงจะพ้นจากชาติทุกชรลาทุกพยาธิทุกนี้เป็นต้นได้อะไรจะทำให้เราหายจากโรคราคาโทรสาโมหาเป็นต้นเป็นโรคเนี่ยอะไรเราจะมียาอะไรล่ะศีลสมถาวิปัสนาเป็นยารักษาโรคอะไรเป็นหัวฝีที่เราจะสามารถทำให้ฝีนี้หายได้อะไรเป็นตัว ที่จะรักษาหัวฝีเนี่ย ห, หายได้ศีล ส, สมถาวิปัสนาลูกศรที่ปักเข้าไปเนี่ยมันถอดไม่ได้เอาอะไรมาถอดเอาศีลสมถาวิปัสนาเป็นเครื่องถอดนะเป็นเครื่องคล้องตอนนี้เราติดอยู่ไหมติดอยู่ในการมสุ ข, ขาริการนุโยคและอตตกิรมมานุโยกติดในส่วนของโลภะและโทษาเป็นต้นเหล่านี้ยอะไรเราจะทําให้เราไม่ติดคล้องใน2 ส, ส่วนนี้ศีล ส, สมถาวิปัสนาหรือมชิมาปฏิปทานั่นเองที่จะเป็นปัจจัยทําให้เรา ออกจากเครื่องข้องเหล่านี้ได้อะไรเป็นเปลือกตมกามนะเป็นเปลือกตมนะอะไรจะทำให้เราหลุดพ้นจากเปลือกตมได้ก็คือเดินตามสิกขาสามอะไรเป็นคันทำอะไรเราจะไม่นอนสู่คันเราจะไม่ไปนอนในคันอีกใช่การเดินตามศีลสมาธิวิปัสสนาแล้วเราจะได้ไม่ต้องไปนอนในคันอีกนะดีใจไหมการนอนในคันไม่ดีนะนี่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้อ้าวให้ถามได้เหลือเวลา อันนี้เรื่องกามนิสรุปมหาทุกขะขันธสูตรที่จริงมีอยู่ในทุกอยู่ใทุกขะขันธสูตรด้วยนะมหาทุกขะขันธสูตรเป็นต้นด้วย <c oughs> พอจะมองเห็นความชัดเจนของว่าเนี่ยโทษของกามมีมากไหมโทษของกามมากเพียงไรอนิสง์การออกจากกามก็มาก เพระบรมศาสดาก็เลยแสดงอะไรต่อเนคขมมานิสังสกถาอะโลพาสนั่นเองที่จะเป็นปัจจัยอโลภัสทยาัยอะทะยาศัยที่ไม่โลภความไม่โลภ ก, ก็คือสภาพที่ไม่โลภต่ออารมณ์นะไม่โลภต่อสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสและก็ทำาอารมณ์ทั้งหลายเหล่านี้สภาพที่เป็นเหตุไม่โลภในอารมณ์แห่งธรรมที่เกิดพร้อมกับต น, นก็คืออโลพาะนะทําสภาพธรรมที่เกิดพร้อมกับตนให้ไม่โลภไม่ติดข้องด้วยนะ เช่นเพิ่มว่าอารมพัฒจิตเกิดขึ้นใช่ไหมก็ทำผัสสาเวทนาสัญญาเจตนาเอกคตาชีวิตินสีมณสิการวิตกวิจารอธิมโมกวิริยาปีติฉันท่านะ่ะไม่ให้ติดข้องในรมด้วยใช่ไหมไม่ให้ติดข้องในลมด้ว ย, วยเพราะปกติเนี่ยถ้าหาผัสสาเวทนาสัญญาเจตนาเป็นต้นไปเกี่ยวข้องกับโลภัฒนี่ยเขาพลอยไปนี่แหละวิตกนี่ยเขาจะปรุงแต่งกรามทันทีเลยนะถ้าเขาเกี่ยวข้องกับโลพัวิจารณกับเขาครอในกรามะคุณนั่นแหละ วิตกวันวนก็วิตกวิญญาณอยู่กับในเรื่องของสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนั่นแหละคิดก็คิดในเรื่องนี้คิดในเรื่องของกามคิดเรื่องของวัตถุกามคิดด้วยอํำนาจของกิเลสกามใช่ไหมคนที่มีโลภะเยอะเนี่ยก็เป็นอย่างนี้ก็เนี่ยตึกในกามวิตกบ้างถ้าเป็นพยาบาทวิตกก็เป็นพยาบาทวิตกบ้างทําอย่างไรเราจะทําให้อโลภะเด่นขึ้นก็เห็นโทษของกามสิเมื่อเห็นโทษของโลภะใช่ไหมทั้งหมดนี้ที่พูดถึงในเรื่องของอัสธ า, าเนี่ยอัศธ า, ามีสองส่วนใช่ไหม อาสาพาส่วนของสุขสมนัตสุขสมนัตทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตันหาตันหาพวกเกี่ยวกันในเรื่องของวิปลาสทั้งหลายเนี่ยสุภาวิปลาสสุขาวิปลาสนิจจวิปลาสอัตตาวิปลาสเนี่ยความเห็นว่างามเนี่ยนความเห็นว่างามเห็นว่าเที่ยงเห็นว่าสุขเห็นว่าเป็นอัตตาตัวตนทั้งหลายอันนี้เป็นเกี่ยวกันเรื่องของวิปลาสคาดเคลื่อนถามว่าทําไมเราจึงยินดีเพราะเราเห็นว่างามไง ทำไมเราต้องยึดติดต้องยินดีเพลิดเพลินเพราะเห็นว่ามันเที่ยงเพราะเห็นว่ามันดีไงมันสุกไงเพราะเห็นว่ามันเป็นของเราเป็นเราเป็นของของเราไงแล้วก็ไปยึดติดอย่างนั้นเองเช่นนี้การที่อโลภาเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยสภาพของอโลพา this ก็คือว่าสภาพธรรมที่ไม่ที่จิตไม่ต้องการอารมณ์นั้นไม่ต้องการแล้วเราเห็นโทษแล้วใช่ไหมว่ากามนี่อุปมาเหมือนกับชิ้นเนื้อคาปากนี่โอ้โหไม่ไหวแล้ว ตราบใดเรายังคาบชิ้นเนื้อนี้อยู่เราก็มีทุกข์ในสภาพที่จิตไม่เกาะติดอารมณ์อ่ะเหมือนน้าที่ติดใบบัวก็จะได้เกิดขึ้นใช่ไหมเมื่อเห็นโทษกิจจราศาสตร์ก็คือไม่ยึดติดอารมณ์ว่าของเราทรัพย์ของเรารบุตรของเราภรารยาของเราเนี้ยไม่ได้ยึดติดแล้วแต่เนี้ยเหมือนพระอทหารหลุดพ้นจากกิเลสเลยสภาพใจที่อโลภาสเด่นชัดเนี่ยเราก็จะได้สภาพใจของพระอทหารได้นิดๆเหมือ น, นกันเนื้อ เพในสภาพที่อโลภพะเด่นขึ้นมาบอกโอ้พระหรหันต์เขาไม่ยึดติดแบบนี้นะถ้าใครอโลภพะเกิดได้เป็นเนี่ยบอกอ๋อน่าจะเป็นอย่างนี้เนยะแล้วอย่างหนึ่งประทัดฐานก็คือว่าสภาพที่ไม่ประสงค์ติดอารมณ์เหมือนบุรุษตกในหลุมอุจจาระนไหมถ้าเรารู้ว่าเราตกอยู่ในหลุมอุจจาระรีบขึ้นเลยใช่ไหมแต่ถ้ายังมองไม่ออกมันคือหลุมอุจจาระเราก็ยังติดอยู่นะก็แค่นั้นแหละวัตถุก็ดีผัสสะเป็นต้นก็ดี นะโยนิสโสมนัสการเป็นต้นเหล่านี้จะเป็นปัจจัยต่อการที่ทําให้เราพิจารณาไข้ควรได้อย่างชัดเจนขึ้นงั้นพอพระบรมศาสตร์สดาแ ส, สดงอนิสงส์ของการเห็นโทษของการแล้วก็บอกว่าการมีโทษเพียงไรอนิสงส์การออกจากการม ก, ก็มีคุณมากเพียงนั้นพระบรมศาส์สดาก็แสดงทุกแสดงเหตุได้เกิดทุกแล้วก็แสดงพันิพานสิใช่ไหมเป็นความไม่วุ่นวายเป็นความไม่ขาดข้องแล้วก็เริ่มแสดงข้อปฏิบัติเลยบอกศีลบอกสมถะบอก วิปัสนาให้สัตว์เหล่านั้นได้เดินแต่จิตอ่อนโยนแล้วนะเราไปเดินต่อนะริ ย, ยสัตว์เนะี่ยอย่าหยุดแค่นี้นะอ้ามีใครจะถามอะไรไหมถ้าจะถามก็อญารก่ อ, อน เรียนถามพระคุณเจ้าที่ที่จัด ท, ที่พูดตอนแรกอะค่ะที่ว่าถ้าเราไม่รู้กามโดยความเป็นคุณเนี่ยที่ตรงที่ว่ากามโดยความเป็นคุณเนี่ยที่เราว่าไม่รู้กามโดยความเป็นคุณเนี่ยเจ้าค่ะอาจาริญพรหมหมายความว่ า, า ใ, หให้รู้ คุณนะให้รู้คุณว่ามันมีน้อยที่จริงมันมีคุณเดี๋ยวจะหาว่าถ้าถ้าเกิดเราบอกว่ามีแต่โทษส่วนเดียวแสดงว่าเราก็หลงไงหลงหลงในคุณหลงในโทษดังนั้นที่จริงมันมีคุณกาลเนี่ยมันมีคุณนะก็ก็คือมันให้สีไงให้สีให้เสียงให้กลิ่นให้รสให้สัมผัสนี่คือคุณให้ความสุขให้ความโสมนัสนี่คือคุณ ให้ความสุขได้ให้ความสุนรนัดได้แต่ที่พระองค์เน้นคือเน้นไม่ให้ติดมันมีคุณแต่ไม่ได้ให้ติดก็อ่าพระอาจารย์นัานก็ในในสูตรต่างๆก็เปรียบเสมือนว่าเป็นเหยื่อใช่ไหมไอ้ IC, เสียงกินรถถ้าจะเป็นผู้ที่ฉลาดก็ต้องเป็นเนื้อเนื้อที่ฉลาดกินแต่เยื่อกินแต่เหยื่ อ, แ ต, อแต่ไม่ติดแต่ไม่ติดใน บ่วงคือโลภะโทสะโมหะพวกนี้แล้วก็ข้าบเหยื่อไปกินสบายนะพรานเนื้อก็ข้าควรนลืมมานก็นั่งข้าควรนเพราะว่าเราไม่ติดบ่วงนั่นเอง